กลัลลนพัน์ท่านผู้มีจิตเนตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28สกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศล เพราะมีความเชื่อว่าบุญกุศลเนี่เป็นทรัพย์ของเราที่แท้จริงเป็นที่พึ่งของเราที่แท้จริงไม่ใช่เหมือนกับทรัพย์ทางร่างกายที่เป็นทรัพย์ชั่วคราวเวลาร่างกายตายไปทรัพย์ของทางร่างกายเราไม่สามารถเอาติดไม้ติดมือไปกับเราได้ แต่เราเชื่อว่าบุญกุศลนี้เป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่ใจของเราจะสามารถเอาติดตัวไปได้เอาไปใช้ใจในภพหน้าในชาติหน้าได้ถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลเลยเวลาเราตายไปเราจะไปแบบขอทานไปแบบไม่มี ทรัพ ส, สมบัติข้าวของเงินทองติดตัวไปจะไปพักแรงมตามโรงแรมก็พักไม่ได้จะไปกินอาหารตามร้านอาหารต่งตางๆไปไม่ได้เพราะไม่มีมมทจจรัพย์ไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าโรงแรมไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าอาหารใจที่ไปแบบนี้ท่านเรียกว่าเปรตเป็น เป็นขอทานต้องมาคอยรอรับบุญกุศลของญาติสนิทมิตรสหายที่จะทำส่งไปให้แต่บุญกุศลที่ญาติสนิทมิตรสหายจะส่งไปให้ก็เป็นส่วนน้อยเพราะว่ามีข้อจํากัดเหมือนกับส่งของทางปรายสนีเราส่งของใหญ่ใหญ่ไปไม่ได้ เราส่งได้แต่ของเล็กๆน้อยๆไปฉันใดบุญกุศลที่เราอุทิศให้แก่ผู้ร่วงลับไปแล้วก็ส่งไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราจะเอาบุญกุศลที่เราสร้างนี้ไปกับเราได้หมดเลย ดันั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราหมั่นทำบุญกันหมั่นสร้างกุศลกันเพราะว่าไม่เช่นนั้นเวลาเราจากโลกนี้ไปเราจะไปแบบขอทานจะไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้จะไปกินอาหารตามร้านอาหารต่างๆก็ไม่ได้ไปอยู่โรงแรมต่างๆก็ไม่มีค่าจ่ายโรงแรม แต่ถ้าเรามีบุญกุศลไปเราสามารถไปอยู่โรงแรมได้กินอาหารตามร้านอาหารตา่ตางๆได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ตา่ตางๆได้นี่คือการไปแบบเทวดาไปไปสวรรค์ถ้าไปแบบขอทานก็ไปอบายไปเป็นเปรตเปรตนี้ไม่ชอบทำบุญ ชอบทำบาปหัวเงินหัวทองอยากได้เงินมากๆ ก, ก็เลยหามาโดยวิธีต้องทำบาปเช่นไปช่อโก้ไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้ให้เงินได้เงินทองมามากๆแล้วก็หัวไม่ยอมใช้ตนดีขี้เหนียว เ, เก็บไว้อย่างเดียวพอตายไป ก็เอาไปไม่ได้กลายเป็นของคนอื่นไปหมดนี่คือคนที่ไม่เชื่อบุญเชื่อกุศลกลัวคิดว่าทำบุญแล้วจะได้ได้เปล่าไม่ได้อะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าตัวเขานั้นไม่ใช่เป็นร่างกายเขาคิดว่าเขาเป็นร่างกายพอร่างกายตายไปแล้วก็ไม่มีใครไปรับผลบุญไม่มีใครไปรับ ส่วนกุศลที่ได้ทำเอาไว้พอเขามองไม่เห็นตัวจริงของเขาตัวจริงของเขาก็คือใจนี่เองแต่ใจไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายเราจึงมองไม่เห็นใจเราจึงต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกระจกสองใจถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้ยินได้ฟังเทศอยู่เรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าตัวเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายตัวเรานี้เป็นใจที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนกับเห็นร่างกายแต่มีวิธีที่จะทำให้เราเห็นใจของเราได้เห็นตัวของเราเองได้ถ้าเราเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า มาปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นวิธีที่จะทำให้เรามีกระจกมองตัวเราเองได้มองใจของเราตอนนี้เรามีแต่กระจกมองร่างกายเราไม่เห็นใจของเราเราเห็นแต่ร่างกายถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพธรทำคำสอน ไม่เชื่อพระสง์สาวกเราก็จะไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อบุญเชื่อกุศลเราก็จะไม่ทำบุญเราจะมัวแต่หาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติหาสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งของเราถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะมีความสุขกัน แต่เราไม่รู้ความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะให้ความสุขกับเราแต่ก็เป็นความสุขชั่วคราวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องมีวันเปลี่ยนไปต้องมีวันเสื่อมหมดไปเวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาเสื่อมหมดไปเวลานั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเช่นเราสูญเสียคนที่เรารักเสียสามีเสียภรรยา เวลาอยู่กับเขาก็มีความสุขแต่เวลาเขาตายจากเราไปเราก็จะไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์นี่คือที่พึ่งที่พวกเรากําลังหากันอยู่และมีกันอยู่เป็นที่พึ่งที่จะทําให้เราต้องมาร้องโหยร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะเราไม่รู้จักที่พึ่งที่แท้จริงนั่นเอง ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจา้าไม่ได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าไม่ได้มาพบกับพระอริยสงสารของพระพุทธเจา้าเราจะไม่รู้จักที่พึ่งที่แท้จริงเราก็จะต้องทุกขกับที่พึ่งที่ไม่ที่เป็นที่พึ่งชั่วคราวทุกไปจนวันตายแต่ถ้าเราได้มา ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้จักที่พึ่งที่แท้จริงของเราว่าอยู่ที่บุญกุศลนี้แล้วเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติสร้างบุญสร้างกุศลให้มีปรากฏขึ้นมาในใจต่อไปเราก็จะมีที่พึ่งต่อไปเราก็จะเห็นหน้าตาของเรา ว่าหน้าตาของเราที่แท้จริงนี้เป็นอะไรกันแน่หน้าตาของร่างกายนี้ไม่ใช่หน้าตาของเราต่อไปสักวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นขี้เท่าไปคนเราเวลาตายไปแล้วเขาเอาไปไหนกันเขาก็เอาไปเผาเอาไปฝังอย่างนั้นตัวเราพอร่างกายตายไปเราก็ต้องจากโลกนี้ไป เราก็ไปตามบุญตามกุศลหรือตามบาปตามกรรมที่เราทำเอาไว้ถ้าเราทำบุญทากุศลเราก็ได้ไปสู่สุขคติไปสู่ที่ที่มีแต่ความสุขถ้าเราทำบาปเราก็ไปทุกขคติไปที่มีแต่ความทุกข์ที่ที่มีแต่ความทุกข์ก็คือที่อยู่ของเดรัจฉานที่อยู่ของเปรต ที่อยู่ของอสุร่ากายที่อยู่ของสัตว์นรกนี่คือที่ไปของผู้ที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่สร้างบุญสร้างกุศลทำแต่บาปทำแต่กรรมรอตายไปก็ต้องไปสู่อบายแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าและเราหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะมีที่พึ่งทั้งในขณะที่ มีชีวิตอยู่และเวลาที่ตายไปแล้วเวลาที่มีชีวิตอยู่ใจเราก็จะไม่หิวโหยไม่เดือดร้อนเวลาที่เราขาดแคลนทางทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเราก็จะมีบุญกุศลหล่อเลี้ยงจิตใจทาให้จิตใจของเราไม่เดือดร้อนกับการอดอยากขาดแคลน อดบ้างกินบ้างก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเราไม่มีบุญกุศลนี่เวลาอดแต่ละครั้งนี่จะทุกข์ทรมานใจเพราะใจหิวเมื่อใจไม่มีอะไรรับประทานมันก็ทรมานแต่ถ้าใจมีบุญมีกุศลอยู่ในใจใจจะไม่ทรมานถึงแม้ว่าร่างกายจะอดอยากขาดแคลนอดมือกินมือ แต่ใจไม่ไม่อดใจมีบุญมีกุศลเป็นอาหารเป็นที่พึ่งเวลามีภัยมาเกิดกระทบกับร่างกายใจก็จะไม่เดือดร้อนเพราะใจมีบุญกุศลเป็นที่ปกป้องคุ้มครองรักษาไม่ให้ใจของเราวุ่นวายใจนะอย่างคนที่มาบวช น, นี่เขามีบุญมีกุศลกัน เขาถึงอยู่ต่างจากพวกเราได้เขาอยู่แบบกินข้าววันละมื้อได้พวกเรานี้กินข้าววันละมื้อไม่ได้เพราะเพราะเราไม่มีบุญกุศลนั่นเองใจของเราขาดอาหารเราให้แต่อาหารทางร่างกายแต่เราไม่ได้ให้อาหารทางใจใจก็เลยหิวพอใจหิวเราก็ให้อาหารทางร่างกายใจก็ไม่อิ่มสักที ให้อาหารทางร่างกายเดี๋ยวเดียวเดียวใจก็หิวขึ้นมาอีกหิวอยู่ทั้งวันทั้งคืนกินวันละสี่ห้ามืดา้ด้ <c oughs> ก็เพราะว่าเราให้อาหารผิดที่แทนที่จะให้บุญกุศลกับใจเรากลับไปให้อาหารกับร่างกายเป็นเพราะว่าเราหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราต้องเลี้ยงมันให้อิ่มมีพีมัน แต่แทนที่มันจะเป็นคุณกับเป็นโทษเพราะกินมากๆร่างกายมันก็กลายเป็นตุ่มไปแล้วมันก็ต้องมามีโรคภัยไข้เจ็บน้ำหนักเกินมีโรคความดันโรคเบาหวานโรคอะไรต่างๆตามมาอีกมากมายแทนที่จะให้คุณกับร่างกายแล้วกลับให้โทษกับร่างกายเพราะเราให้อาหารผิดที่ เราต้องให้อาหารใจควบคู่ไปกับการให้อาหารทางร่างกายร่างกายรับประทานอาหารด้วยกับข้าวกับปลาขนมผลไม้นมเนยต่างๆร่างใจก็ต้องอาหารอาหารของใจก็คือการทำทานนี่เองเราต้องแบ่งปันมีข้าวของเงินทองที่เราพอจะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ เราควรที่จะแบ่งกันไม่ควรที่จะหวงเก็บเอาไว้เพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับใจถ้าเราแบ่งปันได้อยู่เรื่อยเช่นเราทำทานได้ทุกวันใจของเราก็จะมีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วใจของเราก็จะไม่หิวโหวยเมื่อใจไม่หิวโหวยเราก็ไม่ต้องให้ร่างกายรับประทานอาหารมากจนเกินไปเช่นคนที่มีน้ำหนักมาก ก็สามารถลดน้ำหนักได้อย่างง่ายดายเพราะว่าเราให้อาหารถูกที่ให้อาหารที่ใจอย่าไปให้อาหารที่ร่างกายเพราะว่าร่างกายเขาไม่หิวร่างกายเขามีอาหารมากเกินไปแล้วแต่ใจยังหิวอยู่เพราะใจขาดอาหารดังนั้นเวลาที่เราอยากจะไปซื้ออาหารมาให้ร่างกายกินก็เอาซื้ออาหารมาใส่บาตร เลือเสื้ออาหารไปสงเคราะห์คนยากจนแบ่งปันให้เขามีอาหารรับประทานแล้วจะทําให้ใจของเราได้รับอาหารทําให้เราไม่รู้สึกหิวโหวยทําให้เราไม่ต้องกินวันละหลายหลายมือ้อถ้าเราต้องการลดน้ําหนักนี่เราลดได้อย่างสบายกินข้าววันละมื้อไปไม่กี่วันเดี๋ยวน้ําหนักก็ลดลงมาที่ลดกันไม่ได้ก็เพราะว่า ไม่ได้ไปให้อาหารกับใจนั่นเองเวลาใจเกิดความหิวนี่มันทรมานยิ่งกว่าความหิวของทางร่างกายความหิวของทางร่างกายนี่มันถ้าใจไม่หิวแล้วทนได้อดมื้อกินมืออดอะไรอดทีละสามวันห้าวันก็อดได้ถ้าใจมีอาหารอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านอดได้ถึงสี่สิบเก้าวันด้วยกัน ใจของท่านมีอาหารใจของท่านไม่เดือดร้อนกับการขาดอาหารของร่างกายแต่พวกเรานี้กับเป็นตรงกันข้ามกันพวกเรานี่ใจไม่มีอาหารร่างกายมีอาหารมากเพียงไรก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่พอทาใจของเราก็ยังหิวโหวยยังทรมานอยู่นั่น น, น่ต่อให้เรารับประทานอีกกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้ง ให้อาหารกับร่างกายอีกกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งความหิวโหวยของใจก็จะไม่มีวันหายไปถ้าอยากจะให้ความหิวโหวยของใจเราหายไปเราต้องหมั่นทำทานอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่ใจเราอยากจะกินเราก็เสื้ออาหารแล้วก็เอาไปให้คนยากคนจนกินให้ขอทานกินถ้าเราทาอย่างนี้แล้วใจของเราจะเริ่มมีความอิ่ม แล้วต่อไปเราจะไม่ต้องมาวุ่นวายกับการรับประทานอาหารมากจนเกินไปนี่คือเรื่องของการให้อาหารใจเราต้องให้อาหารใจด้วยการทำทานส่วนที่พึ่งที่ป้องกันภัยของใจก็คือการรักษาศีนถ้าเรารักษาศีนได้ใจของเราก็จะปลอดภัยจากความ ทุกใจเดือดเนื้อร้อนใจใจของเราทุกเดือดเนื้อร้อนใจก็เพราะว่าเราไปทําบาปนั่นเองเวลาเราไปลักทรัพย์นี่ใจของเราจะไม่สบายแล้วเพราะเรากลัวจะถูกจับได้กลัวจะถูกจับไปลงโทษเวลาเราไปขโมยเวลาไปโกหกหลอกลวงเราก็จะกลัวว่าเราจะถูกจับได้เวลาเราไปฆ่า ผู้อื่นเราก็จะกลัวเวลาเราไปประพฤติผิดตรวเวณีไปแอบมีชู้กับผู้อื่นเราก็กลัวว่าจะถูกจับได้แต่ถ้าเรารักษาศีลได้เราไม่ฆ่าเราไม่ลักทรัพย์เราไม่ประพฤติผิดประเวณีเราไม่พูดปดใจของเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายใจเพราะเราไม่ได้ทาอะไรผิด เรารู้อยู่แก่ใจของเราดัางนั้นถ้าเราอยากจะให้ใจของเราอยู่อย่างปลอดภัยไม่หวาดผวาไม่หวาดกลัวเราต้องรักษาศีลกันนี่คือที่ป้องกันของใจแล้วถ้าเราอยากจะให้ใจของเรานี่มีแต่ความสบายไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเราก็ต้องมาหัดทําใจให้สงบ ถ้าเราทำใจให้สงบได้ใจของเราจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่เรารับรู้กันตอนนี้เราเห็นอะไรแล้วเรามักจะไม่สบายใจกันเพราะเราไม่รู้จักทำใจให้นิ่งให้ปล่อยวางถ้าเราทำใจให้นิ่งให้ปล่อยวางได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครใจของเราจะไม่เดือดร้อน ตอนนี้เราเดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆเดือดร้อนกับเรื่องเงินทองเดือดร้อนกับเรื่องสามีกับเรื่องภรรยากับลูกกับงานการกับอะไรต่างๆกับโครคภัยไข้เจ็บ ม, มีเรื่องให้เราต้องเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้จักทำใจของเราให้นิ่งให้อยู่เฉยๆนั่นเอง ถ้าเรารู้จักทําใจเวลาเกิดเรื่องราวต่างๆพอใจของเราจะเดือดร้อนเราก็สั่งให้มันหยุดได้สั่งให้มันอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนเดือดร้อนก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆฝนตกน้ําท่วมนี้เราเดือดร้อนมันก็มันไม่ได้ไปหยุดฝนตกน้ําท่วมแต่ถ้าเราไม่เดือดร้อนเราทําใจเฉยๆเราก็จะสบายไม่ต้องเดือดร้อน กับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะทำกันถ้าเราอยากจะให้ใจของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเราต้องฝึกทำใจให้นิ่งให้สงบวิธีที่จะทำใจให้นิ่งเราต้องใช้สติสตินี้เป็นเหมือนเชือกที่จะมามัดใจไม่ให้มันดิน้นเชือกที่เราใช้กันนี่ีก็มีหลายแบบด้วยกันเหมือนกับ เชือกที่เราใช้บัดเข้าของต่างๆมีเชือกไนลอนมีเชือกฟางมีเชือก ช, ชนิดต่างๆหลายแบบเราก็เชือกเชือกที่เราจะมาใช้มัดใจของเราให้อยู่นิ่งๆก็มีหลายแบบด้วยกันเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งถ้าเราท่องพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องใจของเราก็จะนิ่ง ใจของเราจะไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆไม่เชื่อทดลองดูเวลาใครเขาด่าเราเราเสียใจเราท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะลืมเรื่องที่เขาด่าเราคนที่ด่าเราพอเราลืมแล้วใจของเราก็เย็นสบายไม่เดือดร้อนหรือเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เราลากไปเราก็ท่องพุทโธไปท่องไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเราก็จะลืมเรื่องที่เราเสียไปใจของเราก็จะไม่เสียใจไม่เดือดร้อนเพราะใจของเรานี้อยู่ได้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีมีเงินทองหรือไม่มีเงินทองใจเราก็อยู่ได้มีร่างกายนี้หรือไม่มีร่างกายนี้ใจของเราก็อยู่ได้เพราะใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันนั่นเองเหมือนกับคนอื่นตายเราก็อยู่ได้ เพราะเขาไม่ได้เกี่ยวเขาตายเขาไม่ได้ทำให้เราตายด้วยฉันใดเวลาที่ร่างกายตายก็ไม่ได้ทำให้ใจตายด้วยเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแ้วเวลาเราสูญเสียเงินทองไปมันก็ไม่ได้ทำให้ใจเดือดร้อนใจไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองก็อยู่ได้ ถ้าใจมีบุญมีกุศลมีพุโทโธแล้วใจจะไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียของสิ่งต่างๆหรือการเกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นภัยพิบัติต่างๆเจิน้ําท่วมเกิดไฟไหมเกิดอัจฉรกรรมร่างกายถูกเขาฆ่าตายไปใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจึงต้องมาฝึก ทำใจให้นิ่งให้เฉยให้ได้เพราะถ้าใจนิ่งแล้วใจจะมีความสุขจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆทุกวันนี้ใจของเราไม่นิ่งกันพอมีอะไรมากระทบหน่อยก็เดือดร้อนขึ้นมาทันทีเสียใจขึ้นมาทันทีร้องหม่มร้องไห้ขึ้นมาทันทีนี่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักหยุดใจไม่รู้จักทำใจให้นิ่งเราต้องมาฝึกกัน ไม่ยากเลยการที่เราต้องท่องคำว่าพุโทโธพุโทโธไปดีเราคิดได้ทั้งวันแตไปเราจะคิดคาว่าพุโทโธนี้ไม่ได้ลองทำดูทำได้แล้วเราจะติดใจเราจะชอบใจต่อไปเราจะไม่กลัวใครใครจะดา่าเราก็ไม่เดือดร้อนใครจะทำร้ายเราเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราจะไม่เดือดร้อน เพราะเรารู้จักวิธีระ ง, งับความเดือดร้อนนี้เองระงับความทุกข์ใจเราอย่าไประ ง, งับสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนจับปูใส่กระดมเป็นระงับเรื่องนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นโผล่ขึ้นมาใหม่ไประ ง, งับคนนั้นเดี๋ยวก็มีคนนี้โผล่ขึ้นมาใหม่ไม่มีวันจบถ้าเราไปคอยแก้ปัญหาที่ข้างนอกเราต้องแก้ปัญหาที่ข้างใน พอปัญหาตัวปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ในใจเราอยู่ที่การไม่มีเชือกมามัดใจของเราให้นิ่งนั่นเองเราจึงต้องหาเชือกมามัดใจของเราเช่นพุโทโธพุธโทโธหรือสวดมนต์ไปก็ได้ถ้าเราไม่ชอบพุโทโธเราก็สวดมนต์อรหังสัมมาสวาขาโตไปเวลาใจเราไม่นิ่งใจเราวุ่นวายก็ให้สวดมนต์ไป สวดไปเรื่อยอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจพอสวดไปได้สักระยะหนึ่งใจของเราก็จะลืมเรื่องราวต่างๆพอไม่มีเรื่องราวอยู่ในใจใจก็สงบใจก็เย็นสบายนี่แหละวิถีคือที่รักษาใจที่จะทำให้ใจของเรานี่อยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ตายไปแล้ว เวลาตายไปก็จะไปสู่สวรรค์ไปสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไปถ้าเราไม่ทำเราก็จะวุ่นวายเวลาตายไปก็จะไปอบอายกันใจที่วุ่นวายใจที่ทุกข์นี้ต้องไปสู่ทุกขติไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกแต่ถ้าใจสงบใจเย็นใจสบาย ใจมีความสุขใจก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆจึงขอให้พวกเราพยายามมาสร้างบุญสร้างบุญบุนกันให้มากๆพยายามอย่าไปทําอย่างอื่นอย่าไปสร้างเงินทองอย่าไปสร้างทรัพย์สมบัติสิ่งของต่างๆที่ไม่สามารถที่จะมาระ ง, งับความวุ่นวายใจได้ แต่กลับจะมาสร้างความวุ่นวายใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกเอาเวลามาทำบุญทําทานเอาเวลามารักษาสีเอาเวลามาทำใจให้สงบกันดีกว่าแล้วเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนจะมีมากมีน้อยไม่เป็นปัญหาอะไรดีกว่ามีมากแต่ใจไม่สงบใจวุ่นวาย เพราะสิ่งต่างๆที่เราหามานี้จะไม่สามารถรักษาใจของเราให้สงบได้จะไม่สามารถป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นกับใจได้แต่ถ้าเรามีบุญมีกุศลเราจะป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นได้เราจะทําให้ใจของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปได้ตลอดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา